ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t o โทนท a l ์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตปากอนพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะดิฉันพลอยศรีสุโรค่ะสวัสดีครับ แต่ปางผูเกตครับเดี๋ยวก่อนนี่มันเลยตอนเรื่องตอนเรื่องนี่มันเลยช่วงตุจีนตุจจีนกันมาแล้วนะโอ้เมื่อกี้ทําเอาเสียสติไปเลยนะต้องมีความอะไรเก่งต้องมีสติสติขนาดไหนใช่ไามรายการกับพูดคุยกับเนรรายการออกเด็กฉันได้นะจากเทปที่แล้วนะเป็นการพูดคุยเรื่องตุจจีนครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะก็เข้าสู่เดือนใหม่เดือนที่สองของปีแล้วนะไม่แน่ใจว่าวันที่เราเทปออก อากาศเนี่ยนะสถานการณ์ฝุ่นในบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่านะวันที่เราอ่ารายการเนี่ยโอ้ยพกําลังแบบพีคเลยนะแล้วก็ได้ข่าวมานะวันที่เรากําลังอัดเนี่ยคือได้ข่าวมาว่ากรทมสั่งประกาศแบบปิดโรงเรียนกรุงเทพในเขตกรุงเทพแล้วเนื่องจากมีสถานการณ์ฝุ่นเนี่ยมันวิกฤตมากเสียเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าณวันที่เทปออกเนี่ยจะเป็ น, นยังไงบ้างใช่จะเป็นยังไงบ้างเราก็ได้ติดต่อว่า มันจะดีขึ้นสักทีเพราะว่าก็จริงๆมันก็ร่วมเกือบเดือนแล้วนะตั้งแต่เข้าปีใหม่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่นี่มันอังไฟแล้วนะคือในยุคที่แบบเราอยู่กันไม่ได้ใช่ซึ่งจริงๆเรายังไม่รู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แต่มันอยู่ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> งงไหมนะ ทุกวันนี้ขับรถตอนเช้าก็ยังคงมีความหวาดกลัวอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังเห็นร่องรอยมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับวันแรกรที่ที่ดิฉันมาพูดคุยอะเนาะนะนะแต่มันก็ยังมีร่องรอยนะแล้วก็ข่าวเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็ยังคือยังมีอยู่ตลอดนะแต่ที่ที่รู้สึกว่ายังไม่ไม่ยังไม่เห็นเลยก็คือม า, มาตราการของการรับมือบแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นรูปธรรมเออไม่รู้ตุนตะ อ่านข่าวเจอบ้างไหมจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลืมพูดไปเรื่องหนึ่งเรื่จริงสําคัญนะเป็นเรื่องของการไหว้เจ้าอมันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะที่เราจะไม่จุดประทัดที่บอกว่ามีการรนอารมณ์ใช่ไหมอ่าให้ใช้ทูบดอกเล็กและสั้นอะไรเงี้ยคือแบบว่าแค่พอรู้สึกว่ามีควันอ่ะซึ่งจริงๆมันย้อนความไปว่าเวลาเราไปไปในวัดใหญ่ๆเราจะเจอว่าเขาจะมีพื้นที่ที่เอาไว้ปักทูค่ะซึ่งแบบควันทูบจะเยอะมหาศารมากซึ่ง แมมันเหมือนกายว่าไ อ, อ้สิ่งแวดล้อมมันเข้ามากำหนดเรื่องของศาสนาแล้วอะซึ่งจริงๆไม่แน่ใจว่าอย่างประทัดเนี่ย ก, กับความหมายของรประทั์ในเทศกาลตจรจีนเนี่ยเขามีความหมายอะไรหรือเปล่า อ, อย่างเช่นต่องเสียงดังคล้ายๆกับอะไรอย่างคล้ายๆกับการ <ไง S 1> ที่เราไปเคา ะ, ะคระฆังอบอกบอกเทวดาฟิลเดียกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะต้องถึงเวลาที่เหมือนที่คุณตาพูดก็คือว่าถึงเวลาที่ธรรมชาติเนี่ยจะต้องมาเป็นตัวกํากับวิถีชีวิตเราแล้วหรือยังเราะว่าเท ว, วดาไม่ช่วยวิธีมากํากับความเชื่อเดิมๆที่ที่มนุษย์น่ยเคยมีอยู่หือถ้าปุ่มปังแล้วฝนตกเนี<ๆ>่ยก็ปุ่มปังต่อไปเพราะฉะนั้นนะมาถึงมาถึงจุดนี้นะก็หวังว่าทุกอย่างจะจะดีขึ้นนะแล้วก็ได้แต่เฝ้ารอว่าประเทศไทยจะมีมาตรการอะไรนะทั้งในระยะสั้นที่เห็น อย่างเช่นฉีดน้ําเออยอะไรเออยเนาะมีขามันก็ทั้งว่าจับรถเมย์ถอดควันดำแล้วก็บไม่เจอควันดำ อ, อะไรอย่างเงี้ยแม่ค่ะจริงๆนี่ไม่อยากจะเบานะรถมาวิทยาละไเราเองเนี่ยดิฉันดิฉันขับรถตางอู้หูควนก็ดําเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันของบางอย่างเนี่ยดิฉันว่าถ้ารอมาตราการเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบไม่ทันแล้วอ่อาจจะต้องเป็นจิตสํานึกของ ของบุคลากรของผู้บริหารหรือว่าขององค์กรเองหรือเปล่าที่จะต้องออกลุกขึ้นมาทําทําอะไรบ้างแล้วคือถ้ามัวแต่รอมาตรการเนี่ยอาจจะแบบสายเกินแก้หรือเปล่าอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้เวลาไอเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวแล้วว่าเราไอเพราะอะไรเราไอเพราะเราเป็นหวัดเราไอเพราะเราเป็นฝุ่นหรือเราไอเพราะอะไรเราเราไม่รู้ตัวจริงเม้าเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนร่วมงานเนี่ยมีภูมิทางเราอยู่กรุงเทพค่ะรถมาทํางานที่คลองหเนาะเขาก็บอกว่าวันนั้นเขาเข้าไปในเมืองแป๊บเดียว ไม่ได้ใส่หน้ากากโอ้โหกลับมานี่คือแพ้ควันนะแล้วก็แบบหายใจไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจริงๆมันไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะเราเราเข้ามาถึงยุคแมสแม็กแล้วจริงๆไม่ใช่คนละแมสอันนี้มันแมสนี้มันแมสคนละตะกดคนละคำนะแต่ว่าคิดว่า พอได้อยู่คิดว่าเป็น ค, ป ค, ปคิดว่าเป็นยุคเดียวกันนะทีนี้นะก็บทความวันนี้นะจะมาชวนคุณผู้ฟังนะ เ, เขาเรียกว่าอะไรมองคือนอกจากมาตราการในระยะสั้นแล้วเนี่ยนะอยากให้จะให้มองเลยผ่านไปฉันถึงมาตราการระยะยาวนะที่จะมาช่วยกันนะทำให้ประเทศนะหรือว่าทำให้เมืองของเราเนี่ยมันน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะลด มลพิษมลภาวะนะที่มันเป็นอยู่นะอันนี้เป็นบทความนะจาก Read the c l o u นะเว็บไซต์ Read ดอ Cloud นะเขาบอกว่าสิบเอ็ดเหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่ดีต่อปอดและดีต่อใจอนะฟังดูแล้วก็อุ๊ย สิงคโปร์แน่นอนเป็นอันรู้กันนะว่าเป็นประเทศที่เล็กเสียเหลือเกินเล็กมากๆมากๆๆนะแล้วก็เถ้าพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยนะคนเราวัดก็จะนึกถึงพวกเทคโนโลยีความทันสมัยนะแม้กระทั่งส่วนสาธรารณะที่เขาแบบสร้างขึ้นมาะนะแบบมีแบบอยู่ในในมารีนเบย์มีแบบความทันสมัยแสงไฟนั่นนู้นนี่นะแล้วก็เป็นดูที่มันเป็นเมืองเมืองเมืองเ ม, มืองจริงๆนะ เอ๊ะจะทำยังไงนะให้เมืองเนี้ยนะเป็นสวนสนามบินเขาที่มีสวนสนามอยู่ข้างในอ่าคือมัน ม, มีความพยายาม ร, ระดับนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะ <c oughs> เขาบอกว่าชื่อ <c oughs> บทความนี้นะก็คือไปสัมภาษณ์นะคุณริกโทมัสนะซึ่งเป็นรุก ข, ขกรชาวออสเตรเลียนะฮะรุกขกรรุก ข, ขกรเกี่ยวกับต้นไม้ปะใช่นะ่น่าจะเป็นคล้ายๆผู้ดูแล เรียกว่าอะไรมีความรู้เกี่ยวกับ เ, เรื่องของต้นไม้ศึกษาธรรมชาติจะชอบตำแหน่งนี้ยังเลยถัดจากลูกข่ร น, นี่ก็ลู ก, กเทวดานะไปงมขวาดแล้วนะประมาณนั้นเลยใช่นะซึ่งคุณริกนะคะเป็นผู้อนวยการใหญ่แห่ง อาเบอร์เคานเอร์นะ uh, ที่ประเทศสิงคโปร์นะเขาบอกว่าทำงานอยู่ที่สิงคโปร์มาแล้วนะปีนะแล้วก็คุณริกเนี่ยก็เลยมาเล่าให้กับเว็บไซต์ Read the Cloud ฟังนะว่าการที่จะมาเป็นเมืองสีเขียวเนี่ยคือไม่ใช่แบบ วันนี้พรุ่งนี้ลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้เลยนะคือมันมีผ่านกระบวนการมันมีเส้นทางอย่างไรนะที่ทําให้เมืองที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นคอนกรีตเนี่ยแบบประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะกลายเป็นเมืองสีเขียวขึ้นมาได้นะซึ่งจริงๆแล้วส <c oughs> ิงคโปร์เนี่ยนับว่าเป็นประเทศนะที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเขาบอกว่ามีพื้นที่สีเขียวนะเท่ากับ66ตารางเมตรต่อหนึ่งคนนะ ซึ่งเทียบกับกรุงเทพนะมีอยู่แค่ 5.46 ตารางเมตรอ้หก็ยังถือเยอะนะเดี๋ยวว่าจริงๆเนี่ยถือเยอะนะ 5.46 เพราะว่ามันไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ไงตอนเดินในกรุงเทพอะมันไม่มีไงเจ้วเขียวว่ามันอยู่ไหนไม่รู้สวนลุมอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นหย่อมก็ะแมะเออมันต้องเขาลึกเขาซอกไปอยู่นิดนึงนะเขาบอกว่า เหตผลแรกนะข้อแรกนะที่ฉันชอบมากเลยเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าพื้นที่สีเขียวมีความหมายเดียวกับการพัฒนาคนเราชอบคิดว่าเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเราต้องพัฒนาละ่ะพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือพัฒนาโรงงานพัฒนากระบวนการผลิตแต่ เราลืมนึกไปว่าพื้นที่สีเขียวเราก็ต้องพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแนวคิดเริ่มแรกเลยนะซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะแนวคิดนี้น ะ, ะเริ่มเ ม, มื่อปี1965บวกลบไปแล้วนะี่คือเมื่อ54ปีที่แล้วเขาคิดกันมาตั้งแต่ตอน54อปีที่แล้วใช่นะซึ่งเป็นครั้งที่ คุณลีกรุณูนะะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะซึ่งมีวิสัยทัศน์ทางด้านของการพัฒนาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะบอกว่าไม่ได้แค่อยู่ไม่ได้มีการพัฒนาจํากัดอยู่แค่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ <50 S 2> หรือว่าสิปีแล้วทําอะไรเรายังไม่เกิดนั่นสิเราอยากรู้ว่าคนใดทําอะไรกันอุย้ยก็ไปถามแม่แล้วล่ะมั่นใจว่ายุคนิกเนี่ยมาตอนที่ผมเกิดแหละอ่ะเหรอก่อนนั้นมันยังไม่ <c oughs> คนคนไทยยังไม่ทวินีหาเรื่องของการพัฒนาอะไรเลยห<ม>รือเปล่า อาจจะมีแต่เป็นในลักษณะไทยสไตล์ <c oughs> นะคือไม่ได้แค่ต้องพัฒนาตัวเลขเศรษฐกิจ GDP อะไรเท่านั้นนะหรือว่าจะต้องแบบสร้างตึกใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตอของคนนะรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นนะก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการทำให้ เมืองเนี่ยเป็นสวนนะหรือเอ่อหรือที่เขาใช้คำว่าอะซิตี้อินน์กาเดนนะก็คือเป็นเอ่อเมืองในสวนนะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาของนายกลีกวนยูนะวิธีการก็คือไม่ใช่ทำสวนในเมืองเนะาะเมืองในสวนคิดกันดีๆเนาะใช่ ค, <ำ S 1> คือไม่คำมันบอก<ข>ตั้งแต่แรกแล้วนะก็คือทำ เมืองให้อยู่ในสวนไม่ใช่ว่าทำสวนให้อยู่ในเมืองถูกต้องนะเขาบอกว่าวิธีการคือว่านายกก็ไประดมผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายไม่ใช่ว่าบอกว่าจะทําสวนปุ๊บอาไปหาคนทําต้นไม้มันไม่ใช่นะต้องมาตั้งแต่สถาปนิกวิศวะนะหรือว่ารุกขกรแบบที่บอกนะมาช่วยกันออกแบบเมืองครับมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะว่าจะปลูกอะไรตรงไหนพื้นที่ตรงไหนเหมาะกับอะไรนะเพื่อที่จะใช้พื้นที่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ คือไม่ใช่นึกว่าอยากจะปลูกอะไรก็ได้มันไม่ได้คือเราต้องมีการวิเคราะห์ต้นไม้นี่ดีปลูกทั่วเลยเออมันไม่ได้สต่ว่กลิ่นเหม็นชวลต้องันคนกันจุ่มไหมล่ะจับเลยนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยการปลูกต้นไม้นะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครับซึ่งเรานั้นเนี่ยไม่เคยมีวาระนี้วิจาลณ์นี่เพิ่งพุ้ไปได้ข้อเดียวหมดเวลาเบรกสักครู่เดี๋ยวเราเบรกกันตรงแนวคิดแรกก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่สองค่ะครับ กลับเขาสู่ช่วงที่2ของรายการ Two t o Tone Talk นะคะควันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังรู้จักเมืองในสวนนะซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ะะว่าเขาทำอย่างไรนะที่เขาสามารถเปลี่ยนพื้นที่คอนกรีตพื้นที่เมืองนะให้กลายเป็นสวนให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้แบบเรียกว่าชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไปหมดผมว่าผมว่า <c oughs> หลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันคือก็ในเมื่อเขาเปลี่ยน วิธีคิดของคนไม่ให้มาง่ายได้เขาก็น่าจะเปลี่ยนเมืองเป็นสวนได้ถูกนะคือแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาคือไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องมาเป็นกัจจัมันไม่ได้ปุปั๊ไง<ช>มไม่ใช่นะอ่าเมื่อเริ่มที่ข้อแรกนะบอกว่าจริงแล้วมันเป็นนโยบายของนาะยกรัฐมนตรีรีกวนยูนะที่อยากจะทําให้เมืองเนี่ยอ่ามาทำแนวคิดเมืองในสวนนะก็ไประดมผู้เชี่ยวชาญมาเช่นสถาปนิกวิศาวารกรเนี่ยมาช่วยกันออกแบบเมืองอนะอ่ามีอีก แนวคิดหนึ่งนะเขาบอกว่าไม่สามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้ตามอำเภอใจต้นไม้ทุกต้นนะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่30เซนติเมตรขึ้นไปถือเป็นต้นไม้อนุรักษ์ไม่สามารถตัดได้แม้จะปลูกอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวถ้าคุณตัดเนี่ยเห็นว่าอาจจะต้องแบบผิด <c oughs> ไม่น่าจะว่าผิดกฎหรือผิดอะไรนะแต่ว่าคือจะต้องทำเรื่องของอนุญาตแล้วก็ผ่านการประเมินจา ก, กรุกขกรก่อนถึงจะตัดได้ถ้าไม่มีเหตุผลอันใดนะก็ <c oughs> ห้ามตัดนะนั่นคือแนวคิดที่สองเนาะเขาบอกว่าแต่ถ้าจะจําเป็นจะต้องตัดก็จะต้องมีการปลูกทดแทนเสมอแล้วแนวคิดการปลูกทดแทนเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกไม่จําเป็นจะต้องเลือกระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาก็คือเขาเลือกทั้งสองสิ่งหากจําจเป็นที่จะต้องตัดนะเนื่องจากด้วยเหตุบางประการนะก็ตัดแล้วก็ปลูกทดแทนแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้สูตร1ต่อหนึสมมติว่าตัดหนึ่งอาจจะปลูก ม <My> าอีกแปดสิบกวาก็กได้ใช่นะคือมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนึ1 1> ่งต่อหนึ่งเสมอไปเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะเรอาจจะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นตัดแล้วปลูกอะไรได้บ้างนั่นนนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเออเออ เ, อ, อเขาบอกว่าแล้วก็แผน อ, อแผนแผนแผนการพัฒนานะถ้าเกิดว่าบอกว่าจะต้องตัดต้นไม้แล้วไม่สามารถจะปลูกทดแทนได้แผนนี้ก็จะไม่ผ่านอืมเพราะฉะนั้นเขาให้ความสําคัญกับกับ ต้นไม้จริงสิ่งแวดล้อมต้องแป็แรกเลยใช่นะเขาบอกว่าทุกสิ่งปลูกสร้างต้องมีพื้นที่สีเขียวขั้นต่ำ อ, อือ น, นี่อันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าผมจะเจอบ่อยมากเวลาที่นั่งรถหรือขับรถไปในถนนต่างเนี่ยเราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวคิดพวกนี้มันเกิดจากอะไระบางทีส่ว น, นมันกว้างอยู่แล้วก็ไปยุบลงเพื่อทําต้นไมแบบ้แบบมันก็เป็นมีเกาะโผล่ขึ้นมาต้นไม้โตใหญ่ขยายถนนตัดต้นไม้ทิ้ง สภาพหนึ่งยุบถนนปลูกต้นไม้คือยุบยุบย่าๆขยายขยายอยากจะโบ๊ะสักหนึ่งทีอ่ะ กบหูอะไม่รู้คิดอะไรงไงเออไม่เข้าใจเหมือนกันในเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นสถาปนิกที่ประเทศสิงคโปร์นะทุกครั้งที่ออกแบบอาคารเนี่ยจะต้องหาพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งปลูกสร้างเสมอเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขั้นต่ําภาษาอังกฤษก็ใช้คว่า Green Bu เฟอรคือถ้าไม่มีเนี่ย ก, ก็สร้างตึกอาคารไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องต้องมีเสมอนะคะและ้วหล<ะ>ักหล<ะ>ักนี้เจ๋งใช่นะแล้วก็บอกว่าอีกแนวคิดหนึ่งนะเขาบอกว่าแก้ปัญหาข้อจํากัดของพื้นที่ด้วยการออกแบบ คืออย่ามาบอกว่าตึกเรานั่นน่นนี่นปกก<ค>็เนยไม่ได้ไม่ใช่นะเราต้องตองแก้ปัญ<ด>หาถูกต้องนะด้วยการออกแบบอาจจะแบบเป็นสวนแนวตั้งสวนที่เอ่อรูฟท็อปอ่ะเขาเรียกละดาดฟ้า อะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งดมดิมระเบียงการเป็นสีเขียวในในในอินดอ่ะในในตัวอาคารเองก็ต้องทําตรงที่แสงมันส่องถึงเนี่ยทุกสิ้งทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นอันนั้นคือถ้าไปที่สิงคโปร์ก็น่าจะเห็นอาคารที่มีความเขียวอยู่อยู่ด้วยนะแทบจะทุกอาคารเลยนะคะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วปุ๊บเมืองไทยทได้ประเทศไทยทำมาได้แน่นะสายไฟทั้งหมดต้องอยู่ใต้ดินก็พยายามมาลงอยู่เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยตัดต้นไม้ เพราะว่าต้นไม้ไปขวางสายไฟมันมีหลายมันมีเหตุผลนี้นอยู่ซึ่งสิงคโปร์จะไม่มีเหตุผลนี้เลยเพราะสายไฟอยู่ใต้ใตดินเราก็จะมีปัญหานะคือเอาจริงคนไทยก็สามารถตัดต้นไม้ได้นะเพราะว่ารากไปเกี่ยวสายไฟคอยดูนะอันนี้ผมพยากรณ์ไว้หละมันต้องมีเหตุผลอย่างเงี้ยมันต้องมี <c oughs> เพราะาเราคือประเทศไทยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาบอกว่าจริงอยู่ถึงแม้ว่าการทําสายไฟอยู่ใต้ดินเนี่ยจะใช้งบสูงนะแต่ การเก็บสายไฟไว้บนดินก็ใช้งบสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันอยู่ใต้ดินซะสิทำไมล่ะเจ๋งดีวิธีนี้เจ๋งดีถูกปะงาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เจ๋งตรงที่ว่าเอาไว้บนบนบนฟ้านี่แหละแล้วก็ไปทํามั่วๆกันนะแต่ว่าการทําสายไฟใต้ดินเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนการออกแบบที่ดีด้วยนะเพราะว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไปชนกับรากของต้นไมุ้จะบอกว่าจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเสมอเรื่องของการทําท่อกับถนน เพราเราไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างดีคือมันจะแยกหน่วยกันประเด็นพอท่อตันปั๊บอ้าวก็จะมีคนมาทําท่อทําท่อเสร็จไม่เก็บถนนค่ะก็จะมีคนมาเก็บถนนเก็บถนนเสร็จปั๊บท่อแตกอ้าวกลับมาทำท่อทําท่อไม่เป็บถนนกลับมาทาถนนเปท่ท่อแตกจริงบ้านผมเจอหลูกแบบเนี้ยประมาณอยู่สองปีจนแต่ว่าเอาไม่ต้องทําแล้วเบื่อน้ําก็ไม่ไหลเข้าบ้านเหมือนเดิมจะดำอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ยพอเอาเอา สายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยเราจะมีสปาร์ตี้เลยนะทนี้อแตกท้อแตกไฟฟ้าลวกไฟฟ้าลวกทำถนนทำถนนมันต้องมีวิธีเราลองโลกง่ดีเราพอโลกสวยผมอยู่กับความเป็นจริงอ๋อเหรอคะแต่ถ้าเกิดทําได้ที่แบบว่าที่ผมสามารถปรามมทผมได้ว่าเ้ยคุณตาคุณพูดไม่ถูกต้องนี่ผมยินดีเลยอขอร้องเลยขอให้ผมผิดเถอะอยากจะผิดเลยใช่ อีกแนวคิดหนึ่งเขาบอกว่าเด็ดใบไม้หนึ่งใบสะเทือนหนึ่งเงินในกระเป๋าทั้งบอกบอเพื่อนคุณไปนักท่องเที่ยวแล้วไปเดินเล่นแล้วแบบไปเด็ดดอกไม้สวยจังเลยนะถูกปรับสอ0 0ัดอลลาร์จบไปนะเพราะฉะนั้นห้ามไปเด็ดดอกไม้เป็นบ้านเราเนี่ยพออะไรนะต้นอะไรนะพุ่มจมพูพันทิพย์ออกดอกออกผลเนี่ยเดินไปถ่ายรูปเด็ดกันละกิ่งเลยชูส้นสลาเลยว้าวแป๊บเดียวก็หมดนะครับถ้าทำแบน อีกอันนึ่งนะคือจำลองป่ามาไว้ข้างถนนมไม่ได้เอาถนนไปไว้ในป่าคือจําลองป่ามาไว้ข้างถนนเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้ในสิงคโปร์เนี่ยเป็นมากกว่าแค่การขุดหลุมแล้วก็เอาต้นไม้ลงดินนะแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่กระ บ, บวนการก่อน ที่จะปลูกนะก็จะต้องมีการแบบคิดคํำนึงเลือกต้นไม้นะดูความเหมาะเหมาะสมของต้นไม้ในแต่ละชนิดกับพื้นที่ใีเช่นเรื่องของการชอนใช้ของรากความเหมาะสมของดินสภาพอากาศนะไปจนถึงความยากง่ายในการดูแลแล้วก็จะต้องคํานึงถึงความหลากหลายทางสายพันธุ์ด้วยนะไม่ใช่ปลูกเหมือนกันหมดทั้งถนนไม่ได้นะเขบอกว่าจะต้องมีการคือพูดง่ายๆก็คือว่าออกแบบแบบเรียนแบบพืชพันธุ์ในป่า พราะมันมีความหลากหลายปุ๊บมันมีอะไรมารู้ไหมประตับอ้าวถามยากเลยเอา้าวมันก็จะมีสัตว์ออนกพึ่งมแมลงตามมา ม, มันจะ ก, ก็เลยไม่ใช่แค่ปลูกไปแห้งๆประดับแต่มันพยายามทําให้เป็นป่าเพ<อ>ื่อให้มีสัตว์เขาเรียกว่าอะไรนะ ม, มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามมาด้วยที่มันเกี่ยวเนื่องกันต้นนี้มันอยู่กับต้นน้ำอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยนะจากสิบกว่าปีที่แล้วนะตัวเลขสายพันธุ์ พืชเดิมถนนของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ไม่เกินร้อยชนิดนะตอนนี้มีมากถึงเจ็ดร้อยห้าสิบชนิดโอ้ยอ่าแล้วขนลุกอะแค่เดินไปตามถนนใช่ก็จะเห็นพืชพันธุ์คนานานนาาชนิดเลยแล้วเผลอๆนี่ก็มีพวกสัตว์ป่าคือเข้ามาอยู่อ่าอย่างเช่นอาจจะมีแบบเขาบอกว่าคุณอาจจะพบเหยี่ยวอยู่บนต้นไม้ริมถนนสายช็อปปิ้งก็ได้บ้านเราเจอเยอะหรือนกแก้วบนต้นไม้ใกล้สถานีรถไฟบ้านเราจะแย่ แต่ไม่้องนะพวกนี้ไม่ค่อยบินด้วยจะอยู่ตามเสาไฟฟ้าเหยี่ยวรถจอดปั๊บหยุดค้ารถเลยนี่เจอบ่อยมากรู้ทำไมแล้วก็วเขาบอกว่าเออขาบอกว่า<น>หัวตกเลยหัวตกนสิงคโปร์อะมีชะนีด้วยชะนีดบบ้วยเหรอวิศวกรมไจริงบ้านเราก็มีอยู่นข้างเหี่ยวเลย ก็บอกว่ามีมีเขาบอกว่าถึงขั้นว่ามีนักวิจัยเนี่ยมาตั้งกล้องถ่ายลูในพื้นที่ไม่ต้องไปเข้าป่งเข้าปางาเห็นคือมาดูสัตว์ที่บางชนิดก็อาจจะหายากพิจิงมากเลยก็ใช่ไง อีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่านอกจากจะ<า>ปลู ก, ก, กต้นไม้แล้วนะก็ยังมีฐานข้อมูลต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะได้เป็นการกํากับติดตามดูแลปลูกไปตรงนี้เป็นยังไงแล้วกี่ปีต้องดูแลรักษาต้นไม้ยังไงอุตานแล้วน่ารักมากอะ่ะคือแบบรักรักต้นไม้ประหนึ่งแบบเหมือนลูกอะ่ะคือดูแลแบบ อย่างดีนะมีการแบบต้องเช็คดูนะว่าสภาพดินเหมาะสมไหมการระบายน้ําของดินตรงนั้นเป็นยังไงนะซึ่งทั้งหมดนี้หน้าที่ก็คือเป็นเรื่องของลุกขะกรที่จะต้องเป็นผู้ประเมินนะอย่างเช่นเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะแน่นอนนะการมีป่าต้องพัฒนารุกขกรไปควบคู่กันบ้านเรามีไหมดีกว่านั่นสิสงสัยต้องทำขป่ามามีลูกเทวดาแน่ๆหาได้ตามผ้าสามสี นะเขบอกว่าต้องมั่นใจได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในประเทศสิงคโปร์จะได้รับการตัดแต่งอย่างถูกหลักการเสมอโดยหน้าที่ของรุกขกรไม่ใช่จะมาตัดกิ่งนั่นกิ่งนี้ซีซัวไม่ได้เนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วนึกถึงเรื่องหนึ่งขอญาแทงนิดนึงไม่รู้ว่าต้นไม้หน้ามอกษะเเป็นยังไงบ้างนั่นสิตั้งแต่ตอนที่มีช่วงที่ตัดกันเฮี้ยนเี้ยนใช่นะแล้วก็ที่สาคัญนะขอตัด เวลาที่คุณกลับไปเลยนะบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้คนภูมิใจกับเมืองมีอันนี้ที่ฉันว่าก็สาคัญนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ความร่วมมือจากคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวจริงๆเพราะฉะนั้นนะมาลุ้นกันหรือว่ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาติดตามดูแลเมืองของเรากันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการนะทำอย่างไรกันได้บ้างนะเพื่อให้กรุงเทพของเรานั้นเป็น ชีวิดีๆที่ลงตัวผมผมขอสร้างแคมเปญสั้นๆว่ารดเยี่ยวเพิ่มเหี่ยวถ้ามันไม่มีรดเยี่ยวก็จะเหี่ยวผมว่ามันจะมีได้นะน่าจะน่าจะมีได้ฝากโครงการนี้ไว้ในห้องใจขาลองดูลองฟังด้วยก็แล้วกันว่าเขาจะไม่เซ็นเซอร์ดันให้แข็งกับวิ่งกับพี่ตูนเลยเขาจะเซนเซอร์เราไม่ไม่มีเซนอะไรทสิ้นจริงๆรดเยี่ยวเพิ่มเหี่ยวอ่ะเรามามันเป็นวันอายุเฉยๆอ่ะ ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะสำหรับพื้นที่สีเขียวในบ้านเมืองเรานะถ้ารัฐแตยังไม่มีโครงการก็เริ่มจากเราก็ได้เราก็ปลูกจากที่บ้านเรานั่นแหล ะ, อ, ะอยากได้ต้นอะไรก็ปลูกไปมาเฉสๆก็ต้องศึกษานิดนึงว่าปลูกได้ไหมพื้นที่ตรงนั้นอ็มีความก็มีความรู้นดิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคืออย่างที่บอกมันมียุคหนึ่งที่แบบว่าพออะไรแพงนะเราจะปลูกอันนั้นซึ่งไอ บางทีแพงเราใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือแพงก็จริงแต่พอปลูกพร้อมกันหมดทั้งประเทศเนี่ยมันก็ถูกระคาก็ตกไงเนี่ยมันคื อ, ม, คอมันคือดีมาสภายปกติมากๆ ก, กะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันว่าทำาไงก็ได้ให้สังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะขอไปดูเหี่ยวก่อนนะครับ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 สร้างสารรค์และผลิตรา ก, การโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี